บทที่5ทางแยกบทความหลายเรื่องในหนังสือเล่ม น, นี้ได้เราถึงเส้นทางสายเอกของการเจริญวิปัสนาที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ ให้กับพุทธสาวกทั้งหลายแต่เส้นทางสายนี้มีทางแยกให้เราสับสนและเดินผิดทางอยู่เป็นระยะระยะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของเราเองการได้รู้เส้นทางที่ผิดจะช่วยให้การเดินทางตรงเป้าหมายยิ่งขึ้นและไม่เสียเวลามากนะัก 1. จุดหมายของการปฏิบัติธรรมการเดินทาง ต้องมีจุดหมายการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็ต้องมีจุดมุ่งหมายเช่นกันซึ่งจุดมุ่งหมายในระยะยาวได้แก่การพ้นจากการเวียนว่ายในสังสารวัตหรือพ้นจากการต้องเกิดมีขันห้ารูปนามกายใจอันเป็นกองทุกข์ลองพิจารณาดูเถิดว่าอะไรเป็นทุกข์ถ้าไม่ใช่กายทุกข์ก็ต้องใจทุกข์นั่นแหละ ดังนั้นถ้ายัางมีกายมีใจก็ต้องมีทุกข์ร่ำไปส่วนจุดมุ่งหมายระยะสั้นได้แก่การพ้นทุกข์ทางจิตใจอันเนื่องมาจากกิเลสตัณหาต่างๆที่คอยบีบคั้นจิตใจอยู่เกือบตลอดเวลาดังนั้นถ้านักปฏิบัติธรรมมุ่งไปสู่จุดหมายอื่นนอกเหนือจากการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติปัญญาลดละตัณหาเช่นมุ่งปฏิบัติ เพื่อจะได้เกิดในภพภูมิที่ดีนับตั้งแต่พรหมโลกลงมาจนถึงกามสุขติภูมิคือสวรรค์หรือมนุษย์ประเภทหลอ่อสวยรวยเก่งหรือโชคดีตลอดกาลหรือปฏิบัติเพื่อแก้กรรมสระเดาะเคราะห์ต่อชะตาชีวิตหรือเพื่อความมีโชคลาภและการมาสุขต่างๆในชาติปัจจุบันเหล่านี้ก็นับว่า หลงแยกออกนอกเส้นทางของพระพุทธศาสนาไปแล้ว 2. เป้าหมายแรกของการปฏิบัติธรรมหากต้องการพ้นทุกข์สิ่งที่ต้องทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการรู้ทุกข์ได้แก่การตามรู้กายและตามรู้ใจของตนเนื่งเนืองจนเห็นความจริงว่า กายกับใจนี้เป็นสิ่งที่บังคับบัญชาไม่ได้หรือไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงหากเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่ตัวเราเมื่อใดก็จัดว่าเป็นผู้เห็นธรรมเมื่อนั้นครูบาอาจารย์วัดป่าจึงมักจะสอนอยู่เสม อ, สมอว่ารู้ทุก์คือรู้ธรรมดังนั้นถ้านักปฏิบัติ ไม่สนใจที่จะคอยตามรู้กายหรือตามรู้ใจของตนอยู่เนืองเนืองแต่มุ่งไปทำสิ่งอื่นเช่นการกดข่มทรมานกายทรมานใจเพื่อดัดแปลงจิตดัดแปลงอารมณ์การส่งจิตไปอยู่กับความว่างไม่ยอมรู้กายรู้ใจการปล่อยกายปล่อยใจให้หลงเพลินไปกับโลกการหนีโลกหนีความจริงด้วยการปิดหูปิดตานั่งสมาธิให้ลืมเนื้อลืมตัว และการทำสมาธิเพื่อจะเที่ยวรู้เห็นนิมิตหรือเที่ยวออกไปภายนอกเหล่านี้ก็นับว่าหลงแยกออกนอกเส้นทางของพระพุทธศาสนาไปแล้ว 3. สติที่ถูกต้องการตามรู้กายหรือตามรู้ใจมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานซึ่งเครื่องมือสำคัญคือสติและมีหลักการสำคัญประการหนึ่งคือ จะต้องเจริญสติโดยไม่ถูกตัญหาหรือความอยากเข้าครอบงำสติที่ถูกต้องหรือสัมมาสติจึงต้องเกิดขึ้นโดยไม่จงใจกำหนดด้วยความอยากจะรู้กายรู้ใจเดิมเรามักแปลคำว่าสติว่าความระลึกได้ซึ่งหมายความว่ารูปนามมีอาการอย่างไร ก็มีสติตามรู้อาการนั้นไปอย่างซื่อตรงโดยรูปนามเป็นเพียงเครื่องอาศัยรู้ของจิตเครื่องอาศัยระลึกของสติแต่ในระยะหลังๆนี้เราชอบแปลคำว่าสติว่าการกำหนดรู้ซึ่งคำว่ากำหนดนั้นมักมีกิจกรรมที่ต้องทำมากกว่าการตามรู้เช่นหนึ่งการดักรู้ไว้ก่อน คือจงใจเพ่งจ้องกายเพ่งจ้องใจเพื่อรอดูว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างเมื่อเพ่งจ้องมากๆเข้ากายก็แข็งใจก็แข็งหรือเกิดนิมิตและอาการของจิตต่างๆขึ้นแล้วหลงว่าเกิดวิปัสสนาญาณและสองการเอาความคิดเห็นเข้าไปเจือปนกับการรู้นี้ก็คือทางแยกอีกสองสาย ของนักเจริญสติจุดที่ผิดพลาดกันมากอีกอย่างหนึ่งในระหว่างการเจริญสติก็คือการเข้าไปแก้ไขอาการของจิตเช่นเมื่อจิตไม่สงบ ก, ก็พยายามหาทางทําจิตให้สงบเมื่อจิตมีกิเลสก็พยายามหาทางแก้กิเลสการแก้อาการของจิตเป็นเรื่องของการทําสมถะกรรมฐาน ในขณะที่การทำวิปัสสนานั้นกายอยู่ในอาการอย่างไรก็ให้รู้ไปตามนั้นและจิตมีอาการอย่างไรก็ให้รู้ไปตามนั้นจุดที่ผิดพลาดกันอีกจุดหนึ่งในระหว่างการเจริญสติแต่มีไม่มากรายนักได้แก่การเกิดวิปัสสูกิเลสซึ่งมีหลายชนิดที่พบบ่อยก็เช่นการเกิดความฟุ้งซ่านในธรรม คือในเวลาปกติก็เหมือนกับคนปกติแต่เวลาได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วจิตจะเกิดความฟุ้งซ่านพลุ่งพล่านในธรรมจนลืมตัวหรือบางคนก็ตั้งสติจนกล้าแข็งมากผิดธรรมดาเป็นต้นทางแยกเหล่านี้มีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายในแต่ละบุคคลบางอย่างทำให้เกิดความเครียด หรือเกิดความเจ็บป่วยทางกายและจิตใจบางอย่างทำให้เนิ่นช้าบางอย่างทำให้กิเลสเกิดมากขึ้นเช่นงมงายมากขึ้นถือว่าตนเก่งมากขึ้นหรือขาดสติมากขึ้นสี่ สมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องหรือสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเป็นสภาวะที่จิตตั้งมั่นและเป็นกลางเมื่อสติระลึกรู้อารมณ์รูปนามอันเป็นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานทั้งนี้จิตที่มีสัมมาสมาธิจะมีลักษณะสำคัญสองประการได้แก่หนึ่ง จิตไม่หลงไม่ไหลไม่คลาดเคลื่อนไปจากอารมณ์รูปนามที่สติกําลังระลึกรู้แล้วไปหลงอารมณ์บัญญัติแทนเช่นคลาดเคลื่อนจากการตามรู้กายไปเป็นการคิดเรื่องกายหรือหลงไปคิดเรื่องอื่นๆและ 2. จิตไม่หลงก็ไปจมแช่อยู่กับอารมณ์กรรมาฐานอย่างลืมเนื้อลืมตัวความผิดพลาดอย่างแรกสังเกตได้ง่าย แต่ความผิดพลาดอย่างหลังสังเกตได้ยากสักหน่อยเพราะนักปฏิบัติบางท่านกลับคิดว่าเวลารู้อารมณ์แล้วต้องส่งจิตเข้าไปจมแช่อยู่กับอารมณ์จึงจะดีเพราะจะได้รู้อารมณ์ได้ชัดเจนดังนั้นเมื่อรู้ลมหายใจจิตก็จมแช่อยู่กับลมหายใจเมื่อรู้เท้ารู้ท้องรู้มือจิตก็เคลื่อนเข้าไปจมแช่อยู่ที่เท้าที่ท้อง และที่มือเป็นต้นจริงอยู่การรู้อารมณ์ในลักษณะนี้เหมือนกับจะรู้อารมณ์ได้ชัดแต่ก็ชัดแบบคนที่กระโจนเข้าไปมีส่วนร่วมในสถานการณ์เช่นดูละครก็โดดเข้าไปดูอยู่บนเวทีหรือดูปลาในน้ําก็โดดลงไปในน้ําเป็นต้นนอกจากนี้พวกเราบางคนมักนิยมแปลความหมายของสมาธิว่า ความสงบของจิตดังนั้นพอเราคิดถึงการปฏิบัติธรรมก็มักคิดถึงการนั่งหลับตาเข้าสมาธินั่งจนลืมตัวบ้างหรือนั่งจนจิตใกล้สงบแล้วสติอ่อนกำลังลงแล้วจิตกลับฟุ้งซ่านออกไปเห็นนั่นเห็นนี่อย่างที่เรียกว่าเกิดนิมิตบ้างนักธรรมสมาธิที่เป็นหลงนิมิตนั้นมีมากและแก้ไขยาก เพราะเจ้าตัวมักจะภูมิใจในความสามารถพิเศษของตนเองนี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากเพราะสมาธิที่แท้ในทางพระพุทธศาสนานั้นต้องมีประจำอยู่กับจิตที่จเจริญสติในทุกๆอิริยาบถไม่ใช่มีสมาธิเฉพาะตอนนั่งหลับตาเท่านั้นและไม่เกี่ยวกับการรู้เห็นนิมิตพิสดารใดๆเลยเพื่อนนักปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งก็สุดตงไปอีกข้างหนึ่ง คือไม่สนใจเรื่องของสมาธิเลยเพราะจะเอาแต่ปัญญาทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทั้งเรื่องศีลสมาธิและปัญญาเพื่อนกลุ่มนี้บางคนก็มุ่งคิดพิจารณาธรรมก็ไปตรงตรงบ้างมุ่งเอาสติกำหนดจี้ใสาอารมณ์บ้างเหล่านี้ล้วนเป็นทางแยกหลายสายที่พาให้หลงทางได้ทั้งสิ้น 5. ปัญญาที่ถูกต้องปัญญาที่ใช้ในการเจริญวิปัสนาต้องเป็นภาวนามยปัญญาอันเป็นปัญญาที่เกิดจากการมีสติตามรู้กายตามรู้ใจด้วยจิตใจที่ตั้งมัน่นจนรู้และเข้าใจความจริงของกายและใจว่าไม่ใช่ตัวเราของเราและสามารถปล่อยวางความยึดถือกายและใจได้ในที่สุดเพื่อ น, นักปฏิบัต อย่าไปลงเข้าใจว่า 1. วิปัสสนาปัญญาเกิดจากการทำใจให้สงบนิ่งเฉยหรือ 2. วิปัสสนาปัญญาเกิดจากการอ่านและการฟังซึ่งเรียกว่าสุตตะมยปัญญาหรือ 3. วิปัสสนาปัญญาเกิดจากการคิดพิจารณาซึ่งเรียกว่าจินตามยปัญญาจริงอยู่ที่เบื้องต้น เราต้องฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจและคิดไคร่ครวนทำความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อรู้วิธีการปฏิบัติแล้วเราก็มีหน้าที่มีสติตามรู้กายตามรู้ใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นจนเกิดวิปัสสนาปัญญาไปตามลำดับเรื่องการใช้ปัญญาผิดประเภทก็เป็นทางแยกใหญ่อีกเส้นหนึ่ง เพราะพวกเราไม่คุ้นเคยและไม่รู้จักปัญญาที่เกิดจากการตามสังเกตรูปนามหรือการตามรู้กายใจแต่พวกเรามักเคยชินกับการสแสวงหาปัญญาด้วยการอา่านการฟังและการคิดเท่านั้นบางท่านถึงขนาดประกาศทัศนะว่าการจเจริญวิปัสสนาคือการคิดอย่างเป็นระบบทัศนะเช่นนี้ผิดทั้งหลักปริยัตและหลักปฏิบัต คือในภาคปริยัตริระบุชัดเจนว่าการจเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงซึ่งเริ่มต้นที่อุท พ, พยายานนั้นจะต้องไม่เจือด้วยจินตามยปัญญาส่วนในภาคปฏิบัตินั้นครูบาอาจารย์วัดป่าหลายรูปท่านสอนอยู่เนืองๆว่าให้รู้ไม่ใช่ให้คิดเพราะความคิดนั่นแหละเป็นเครื่องปิดบังการรู้ รายละเอียดจะอ่านได้จากบทความหลายเรื่องในหนังสือเล่ม น, นี้ส่วนการคิดพิจารณาอย่างเป็นระบบสมเหตุสมผลตรงตามหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้น่าจะใกล้กับคำว่าโยนิโสมนสิการมากกว่าคำว่าวิปัสสนา วิมุตตการบรรลุมรรคผลที่ถูกต้องเพื่อนนักปฏิบัติ บ, ตบางท่านไปหลงในอาการของจิตบางอยา่างว่าเป็นการบรรลุมรรคผลเช่นจิตเกิดดับวู้หมดความรู้สึกไปชั่วขณะพอเกิดความรู้สึกตัวก็คิดว่าช่วงที่จิตหายไปหรือช่วงที่เหมือนกับไม่มีจิตนั้นเป็นการบรรลุมรรคผล เพราะไม่รู้สึกถึงความมีอยู่ของรูปนามแท้จริงการไม่รู้รูปนามก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องรู้นิพพานและในขณะที่เกิดมรรคผลซึ่งมีอารมณ์นิพพานนั้นก็มีจิตและเจตสิกไม่ใช่ไม่มีจิตและเจตสิกเรื่องนี้พระอภิธรรมจะอธิบายได้อย่างชัดเจนถึงวิธีจิตในขณะที่บรรลุมรรคผลบางท่าน จิตเกิดถ่ายทอดธรรมะขึ้นมาบ้างจิตเทศให้ตนเองฟังบ้างตนเองคลุ้มคลั่งอยากแสดงธรรมะบ้างจิตวูบวาบหรือมีอาการแปลกๆอย่างอื่นบ้างจิตหลงไปเกาะอยู่กับความว่างบ้างหรือเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าได้ประลุธรรมแล้วนี้เป็นทางแยกที่น่ากลัวมากทีเดียว เครื่องป้องกันการหลงทางแม้ทางแยกที่ชวนให้หลงทางในระหว่างการปฏิบัติจะมีอยู่มากแต่พวกเราก็มีเครื่องช่วยป้องกันการหลงทางอยู่สองประการคือ 1. กัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์ที่เคยเดินทางไปก่อนแล้วและ 2. โยนิโสมนสิการคือการรู้จักเฉลียวใจคิดพิจารณาว่า ทางที่เดินอยู่นั้นตรงตามหลักการและวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้หรือไม่เช่นถ้าสังเกตพบว่ามีตัณหาแทรกอยู่ในระหว่างการปฏิบัติธรรมหรือถ้าไม่รู้ทุกข์คือกายกับใจแต่พยายามละทุกข์ก็แสดงว่าปฏิบัติผิดพลาดไปแล้วเป็นต้นสำหรับผู้เขียนเองก็มีเครื่องสังเกตอ ย, อยู่อย่างหนึ่ง คือถ้าปฏิบัติคข้ยวขวออกจากการมีความรู้สึกตัวแล้วตามรู้จิตตนเองเมื่อใดก็แสดงว่าเดินพลาดแล้วเช่นถ้าโมูตามจัดการกับกิเลสตัวใดตัวหนึ่งโดยละทิ้งการรู้จิตใจตนเองก็แสดงว่าถูกกิเลสหลอกเพราะพ่อแม่ครูอาจารย์พระป่าท่านมักสอนว่ากิเลส จะพยายามหลอกให้เราเลิกรู้จิตใจตนเองเสมอเสมอเนื่องจากหัวหน้ากิเลสมันซ่อนอยู่ที่จิตใจเรานี่เองทำสองประการนี้สำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติถึงขนาดที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าการยานามิตรอย่างหนึ่งและโยนิโสมนสิการอีกอย่างหนึ่งคือทั้งหมดของพรหมจรรย์หรือการประพฤต ปติบัติธรม